ตามปกติแล้วเนี่ยอะไรที่เราเพิ่งเจอเพิ่งสัมผัสครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันมีคุณมีโทษอย่างไรบ้างต้องเผลอนะหรือต้องไปสัมผัสอีกครั้งสองครั้งเนี่ยบางทีครั้งเดียวก็พอแล้วก็รู้แล้วว่ามันมีคุณหรือมีโทษอย่างเด็กเล็กๆ เ, เนี่ยนะพ่อแม่เอา ขนมเคก้กเมเทียนวันเกิดนะปักอยู่บนขนมเค้กเนี่ยเด็กตัวเล็กๆนะขวบ2ขวบเนี่ยบางทีสาขวบถ้าไม่เคยเจอเทียนวันเกิดนะก็จะเอามือไปแตะแล้วก็จะรีบชักมือกลับทันทีเลยเพราะว่ามันร้อนนะบางคนเนี่ยนะเห็นผู้ใหญ่เป่าเทียนก็เอาบ้างนะนะ น้มตัวไปแล้วก็อมเทียนเลยโดนเปลวเทียนเผานะก็ร้องไห้นะอันนี้ดูจากคลิปวิดีโอนะเขามีคนส่งมาว่าเนี่ยเด็กจำนวนมากเลยนะเขาไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นเทียนมันเกิดงั้นเขาก็เลยเอามือไปจับบ้างละหรือว่าเอาปากไปอมบ้าง น, นะแล้วครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะเขาก็รู้ว่ามันอันตรายหรือว่ามันมันเป็นโทษ ร่างกายเราเนี่ยเวลาเชื้อโรคเนี่ยมันเข้ามาถ้ามันเป็นเชื้อตัวใหม่นะร่างกายไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยก็มักจะพลาดท่าเสียทีก็คือเจ็บป่วยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะร่างกายเราจะจําได้ปูงคุ้มกันร่างกายเนี่ยมันจะจําได้ ว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยนะมันอันตรายมันเป็นโทษพอเชื้อเข้ามาใหม่เนี่ยนผู้ก้การร่างกายเรามันก็จะตื่นตัวทันทีแล้วก็เข้าไปจัดการกับเชื้อนั้นไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียจะเป็นไวรัสหรือแม้แต่สารพิษโดยซ้ำนั่นเนี่ยมันมีหลายโรคทีเดียวพอเป็นแล้วเนี่ยแค่ครั้งเดียวก็ไม่เป็นอีก ถ้าเกิดว่าไม่ตายนะก็จะไม่เป็นอีกเลยนะสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นไข้ทรพิษเนี่ยนะถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะไม่มีเป็นอีกอิสุกอีไซยก็เหมือนกันนะเป็นได้ครั้งเดียวในชีวิตที่จริงหวัดเนี่ยก็เหมือนกันนะเพียงแต่เอาหวัดเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแปลงโฉมอยู่เรื่อยนะปีแล้วปีเล่าเราก็เลยเป็นหวัดบ่อยนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะหวัดตัวเดิมนะสัตว์เนี่ยนะเราดูนะมันมีสัญชาติยานระแวงภัย แต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่เคยเจอคนมาก่อนเลยนะตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะมันยอมให้คนเข้าใกล้นะตอนที่ชาวดาวินเนี่ยไปเก า, กาะกาลปกอสเนี่ยซึ่งอยู่แถวลาตินอเมริกานะพวกเราคงรู้จักดีนะชาวดาวินเนี่ยเขาคนพบทฤษฎีวิวัฒนาการไอสิ่งที่จุด ป, ประกายเขาเกิดความคิดในเรื่องนี้ก็เพราะได้ไปเก า, กาะกาลปกอส เมื่อเกือบ2 0 0ปีที่แล้วก่อนนี่มันแยกขาดจากแผ่นดินใหญ่หรือว่าโลกกว้างาสัตว์เรียกว่าทุกชนิดเลยทุกตัวเลยก็ว่าได้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนกนะไม่ว่าจะเป็นหมาหมาป่าหมาจิ้งจอกนะสัตว์เลื้อยคลานไม่ต้องย่ว่าแต่เต่าเลยนะแม้แต่สัตว์ ที่เป็นพวกตะกวดอะไรทำนองนี้นะมันเจอคนนั้นนะมันก็ยอมไม่เข้าใกล้นะอย่างปะสุนัขยิงจอกเนี่ยนะมันยอมให้คนเข้าไปใกล้คนนี่ก็ลายเหมือนกันนะเดินไปหามันนะแล้วก็เอาค้อนทุบหัวมันเลยตายมันไม่หนีนะแต่พอสันเนี่ยเจอคนบ่อยๆเนี่ยมันรู้แล้วว่า คนอันตรายมันก็ไม่ยอมไม่เข้าใกล้นะมันก็จะมีนิสยัยเหมือนกับสัตว์ที่เราเห็นอยู่นะทุกวทุกวันหรือ ว, ว่าสัตว์ป่าการที่มันได้เจอนะการที่มันได้เจอคนนะหรือว่าเจอภันะมันทำให้มันฉลาดแล้วก็เรียนรู้ว่าอ้อนี่คืออันตรายนะเด็กก็เรียนรู้ว่าเปลวไฟเนี่ย มันร้อนอันตรายเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายร่างกายแล้วก็โดนหลอกได้ครั้งเดียวและครั้งต่อไปก็จำได้การที่ได้สัมผัสการที่ได้เจอเนี่ยหรือการที่ได้เห็นบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดความฉลาดขึ้นมาที่ว่าตมาเนี่ยมันมีลิงนะฝูงลิงอยู่หลายฝูงเนี่ยแล้วก็อววารวาสก่อกวนมาก ก็เคยมีพระนี่ท่านนะทำกับดักนะก็ปรากฏว่าสามารถจะจับลิงได้แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่เคยจับได้อีกเลยเพราะว่ามันรู้มันฉลาดแล้วเหมือนกับมันบอกต่อๆกันไปด้วยเปลี่ยนจากกับดักมาเป็นกรงนะก็จับได้แค่ครั้ง2ครั้งแล้วนะครั้งต่อไปก็จับไม่ได้อีกการที่ได้เจอได้สัมผัสนะ การที่ได้เห็นเนี่ยมันก็เกิดการเรียนรู้นะแล้วทำให้ไม่หลงกลไม่เผลออีกแต่แปลกนะจิตใจเราเนี่ยทั้งนั้งที่เจอความโกรธเจอความเครียดเจอความฟุ้งเจอความเศร้ามาไม่รูกี่ครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังโดน มันหลอกอยังพลาดท่าเสียทีปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้ครอบงำอยู่เป็นประจําอันนี้รวมถึงความคิดฟุง้งซ่านเลยนะที่มันเพลอคิดไปทั้งที่เราก็รู้นะคิดเรื่องนี้มันทุกข์มันทำให้วิตตกทำให้งุดหงิดทำให้หนักอกหนักใจแต่ก็ยังยังโดนไอ้ความคิดนี้นะมาหลอกนะหลอกใช้หลอกครอบงำจิตใจเราเป็นประจา ทำไมเป็นอย่างนั้นนะถ้าเจอบ่อยๆนี่น่าจะฉลาดนะแม้แต่สัตว์เดรัชาเนี่ยแค่เจอภัยไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นพิษหรือเจอมแมลงเช่นมดพึ่งเนี่ยนะมันเจอครัง 2, ้งสองครั้งมันก็รู้ละโอ้อั น, นี้อันตรายไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรคล้องแว้หรือไปเกี่ยวข้องด้วยพอมา นะไม่อยาเป็นแมลงมดผึ้งนะหรือคนนะพอมามก็หนีแล้วนะไม่ยอมพลาดท่าเสียทีแต่ทำไมใจของเราเนี่ยนะมันจึงโดนอารมณ์เหล่านี้ครอบงำหนะลอกลวงชักนำนะจนหมดเนื้อหมดตัวครั้งแล้วครั้งเรา มัน ค, คล้ายๆกับคนที่ถูกผู้มิจฉาชีพนะมจจะมาหลอกเช่นมาหลอกอาจะเป็นนักเรียน้วก็อาจจะหลอกว่าเนี่ยพ่อแม่ให้มารับนะพ่อแม่ไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลให้มารับนะหนูเนี่ยไปโรงพยาบาลหรือบางทีก็มารับกลับบ้านนะเพราะว่าพ่อแม่ไม่ว่างเด็กก็เชื่อน ะ, อะพอผู้พอมิจฉาชีพพาไป นะเข้าไปในซอยเปลี่ยวมันก็นะปล้นเอาเงินเอาโทรศัพท์นะเสร็จแล้วปล่อยเด็กไปพอลุกขึ้นมันมาอีกมิจฉาชีพตัวเดิมนั่นแหละคนเดิมแล้วก็เด็กก็ยังเชื่อลูกไม้เดิมนะมิจฉาชีพก็มาบอกว่าพ่อไม่สบายแม่ป่วยนะเด็กก็ตามไป เสรละพอไปถึงทางเปี่ยวก็โดนหลอกนะโดนปล้นเอาเงินไปถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้า 10-20 ครั้งเนี่ยนะมันก็แย่แล้วนะแล้วถ้าเกิดเป็นร0อยครั้ง2อ0สครั้ง4 5 0 0ครั้งเนี่ยอันนี้มันแปลว่าอะไรนะแปลว่าเด็กนี่โง่เหลือเกินแต่เด็กนั้นก็คือเรานั่นแหละนะ มิจฉาชีกวก็คืออารมณ์นะที่มันมาหลอกมาหลอกเราอยู่เป็นประจำโดยเพราะเนี่ยนะเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ตั้งใจนะว่าเราจะาไม่เผลอนะเราจะมีสติรู้ตัวมือเคลื่อนไหวนะใจก็รับรู้รู้สึกเดินจงกรมก็รู้สึกรู้ตัวกําลังเดินและเป็นไงมันก็หลอกเราไปทุกครั้งนะ หลอกเราไปได้บ่อยๆนะเมือ่อจะเป็นความคิดบางทีก็คิดเรื่องเดิมนั่นแหละเสร็จแล้วก็เวลามีอะไรมากระทบทำให้ขัด อ, อกขัดใจก็โกรธหงุดหงิดก็โดนอารมณ์หงุดหงิดโกรธนี่มันเล่นงานครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามันต่างอะไรกับเด็กนะที่ถูกมิจฉาชีพหลอกเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่เด็กแบบนี้ไม่มีนะในชีวิตจริงนะ่ะไม่มีเด็กแบบนั้นหรอก นะโดนหลอกแค่สองสาครั้งเด็กก็รู้แล้วว่าไ อ, าอ้มิชชาชีพนี่พอมาอีกนะจำหน้าได้นะจำเสียงได้นะถึงแม้จะใส่หนวดนะเติมคราวเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจำเสียงได้เด็กรูก้เด็กฉลาดเด็กก็ไม่ยอมให้มิชชาชีพนี้หลอกไปได้อีกแต่ทำไมใจเราเนี่ยนะมันจึงโดน หลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกนะซึ่งมันผิดกับธรรมชาตินะคือยิ่งเจอเราต้องยิ่งฉลาดยิ่งเจอเรายิ่งฉลาดนะแต่ทำไมเราเจอแล้วเจอเล่าเราจึงไม่ฉลาดแถมอาจจะโง่ ก, กับเดิมด้วยคนที่เจอความโกรธแล้วก็เสียท่าความโกรธอยู่เป็นเป็นประจำเนี่ย ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยพอแก่นะก็ยิ่งโกรธเข้าอีกนะทั้ทงที่เจอความโกรธมาเป็นหมื่นครั้งเนี่ยทำไมกลับโกรธง่ายแล้วโกรธเร็วนะซึ่งมันควรจะรู้ทันความโกรธมากขึ้นนะอันนี้ถ้าจะอธิบายก็คงเป็นเพราะว่ามันหลงนะ เหมือนกับว่าไอตอนที่เจอมิจฉาชีพเนี่ยนะเมานะหรือว่ามันมึนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิจฉาชีพกิงหลอกได้ครั้งแล้วครั้งเล่าพอทุกครั้งที่โดนหลอกเนี่ย ม, ม, มึนมันมึนมันะงงนะงงนะก็เลยไม่เกิดการเรียนรู้นะก็เสียท่านะพลาดท่าเสียทีทุกครั้งไปไอความมึนความงงเนี่ยนะ นะมันไม่ใช่เพราะว่ามืนยาหรือว่าเมาเหล้านะแต่เป็นพ่อมันหลงลืมตัวนะความหลงเนี่ยนะความหลงเนี่ยความหมายน่ยคือไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่หลงเนี่ยนะมันก็จะพลัดไปตามอารมณ์ถูกอารมณ์นะหลอกชักจูงไปรวมทั้งความคิดฟุ้งซ่านด้วย นี่เกิดเพราะว่าทําไมเราต้องมาเจริญสติเพราะการเจริญสติจะทำให้เรามีสติรู้ตัวนะคนที่เด็กที่มีสติเด็กที่รู้ตัวเนี่ยนะก็จะโดนวิชาชีพหลอกได้ไม่เกินสอาครั้งนะเพราะว่าความผิดพลาดแต่ละครั้งก็ทําให้เกิดการเรียนรู้นะเหมือนกับเด็กนะทาโรคที่อมเทียนวันเกิด แค่ครั้งเดียวก็รู้แล้วว่าทีหลังอย่าอมนะการที่เราเจริญสติเนี่ยมันทำให้เรานะได้เห็นได้เรียนรู้นะแล้วก็รู้ทันอารมณ์ที่มันมาชักจูงห ล, ล่อล่อลวงนะจิตใจเราไปแต่ก่อนเนี่ยมึนงงนะก็เลยโดนมันหลอก ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ตอนนี้นะมีสติก็จะเห็นจําได้จําได้ว่าไอ้หน้าตาแบบนี้เนี่ยนะมันไม่เป็นมิตรนะมันเป็นอกุศลนะมันเป็นโทษนะเวลาเจอความคิดฟุง้งซ่านน ะ, ะจาท่าทางลักษณะอาการได้เวลาเจอความโกรธเจอแล้วเจอเล่ามันก็จะจําได้ดีขึ้น แต่ก่อนไม่ได้จำเลยนะเพราะว่ามันลืมตัวแต่ตอนนี้พอมีสติแล้วจะจำได้แต่ว่ากว่าจะจำได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานะคือต้องเจอแล้ ว, ลวพลาดแล้วหลายครั้งอาจจะ10ครั้ง20ครั้งหรืออาจจะร0อยครั้งก็ได้แต่ว่าทุกครั้งเนี่ยนะที่เจอมันก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจำลักษณะอาการของอารมณ์ต่างๆเล่าที่ได้ ถึงเวลามันมาอีกนะอ่าเจตก็รู้ทันแล้วเพราะมีสติมาบอกมาเตือนลักษณะหรือคุณสมบัติของสติอย่างหนึ่งนะก็คือการจําลักษณะอาการนะได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นภายนอกหรือภายในรูปธรรมหรือนามธรรมอ่าภาษาบาลีเขาเรียกว่าถิรัสัญญานะถิรสัญญาคือเพก็สัญญาคือจําได้หมายรู้จําได้หมายรู้รลักษณะอาการ เช่นเราเห็นคนนี้เราก็จำได้นะว่าคนนี้เนี่ยนะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เราได้ยินเสียงเราก็จำได้ว่าเนี่ยนี่คือเสียงอะไรนะเสียงโทรศัพท์นะเสียงระฆังเสียงสัตว์อันนี้เป็นที่รัญญาในเรื่องเกี่ยวกับรูปรสกินเสียงสัมผัสแต่ถ้าเราเจรสตินะโดยพระสติปัฏฐานเนี่ยมันจะจำอาการของอารมณ์พวกนี้ได้ แล้วเพราะฉะนั้นพอมันโผล่มาเนี่ยก็จะรู้แล้วก็จะไม่โดนมันหลอกนะหรือโดนมันล่อหลวงไปนะคนที่เจริญสติบ่อยๆนี่ก็จะรู้ทันอารมณ์ได้ไวใหม่ๆก็ จ, จะโดนหลอกไปสักพักนะเช่นเหมือนกับเด็กที่โดนหลอกไปจนออกไปนอกโรงเรียนแล้วนะแต่ก่อนจะถึงทางเปรี่ยวก็มารู้ทันมารู้หรือจำได้ไว่าไอ้นี่มันวิชชาชีพก็สะบัดมือหลุดออกไป ก็คล้ายๆกับเวลาเราเราคิดฟุง้งปรุงแต่งไปนะแต่ก่อนเนี่ยคิดไปได้10เรื่องเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่ากําลังเดินจง ก, มการมกําลังยกมือสร้างจังหวะแต่ตอนหลังเนี่ยคิดไปได้แค่8เรื่องก็รู้ตัวแล้วแล้วก็ถอนจิตออกมานะสติมันเป็นตัวถอนตัวดึงตัวเรื่องจิตออกมานะจะไปไม่ให้ไปหลงนะเชื่ออารมณ์เหล่านี้และต่อไปจะจําได้ไวขึ้นนะ แต่ก่อนนี่ออกไปนอกโรงเรียนแล้วถึงจําได้แต่ตอนหลังนี่ยังไม่ทันถึงประตูโรงเรียนเลยจําได้วาอันนี้มิจฉาชีพก็สะบัดมือหลุดนะสติของผู้ปฏิบัติทีนะ่พัฒนาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความมีความก้าวหน้าในเรื่องการรู้ทันได้ไวทีนี้คิดได้แค่2เรื่องก็รู้แล้วนะรู้แล้วก็หลุดออกมานะ ตอนหลังคิดมาได้แค่เรื่องบางทีไม่จบเรื่องเลยก็รู้แล้วก็หลุดออกมานี่เรียกว่านะจําได้จําอารมณ์ได้นะเรียกว่าหรือว่าจําตัวหลงได้ว่าตัวหลงเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าหลงดีใจหรือหลงเสียใจนะหลงโกรธหลงเศร้านะหลงฟุง้งจําอาการได้และที่จําได้เพราะอะไรเพราะเจอบ่อย ว่าการที่มันมีอารมณ์พุนที่เกิดขึ้นนะหรือว่ามันมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะนะถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะจำได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้ น, นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ถ้ามีสตินะหรือหลงนะมันก็จิตก็ถูกมันหลอกนะเสียท่าบ่อยแล้วก็เร็วแล้วก็ง่ายการที่เราได้เจอมาบ่อยๆเนี่ยนะฟุ้งบ่อยๆ นะหรือว่าหงุดหงิดอยู่เรื่อยเนี่ยนะมันมีข้อดีนะมันทําให้ทีรสัญญาณของสติเนี่ยหรือว่าความจําได้ไมายรุ่นในสถานการเนี่ยของสติเนี่ยมันพัฒนาแต่ว่าการจําได้หมายรู่ของสติเนี่ยมันจะไม่ไวเหมือนกับตัวอย่างที่ตมาพูดมาเช่นพุมิการร่างกายนะั้นมันเจอครั้งเดียวเจอโชว์รครั้งเดียวมันจําได้แต่ว่าสตินี่มันต้องเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆไม่ใช่แค่5ครั้ง10ครั้งบางทีอาจจะเป็น ยี่สครั้งถึงจะจําได้มันก็คล้ายๆกับเราท่องอักษรานนะไม่รู้สมัยนี้ยังท่องอักษรานกันอยู่หรือเปล่ า, าหรือท่องศัพท์ก็ได้นะศัพท์ภาษาอังกฤษศัพท์ภาษาจีนเนี่ยเจอทีแรกก็ยังจําคําแปลไม่ได้นะเจอครั้งที่2ก็ยังจําคําแปลไม่ได้นะต้องเปิดดิกต้องเปิดพจานานุกรมนะบางทีต้องเจอ10ครั้งถึงจะจําได้ว่า ไอ้คำามนี้มันแปลว่าอะไรหรือเมือ่อกะท่องอคยาณเนี่ยจะท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอีกนะประมาณสัก10 20ครั้งถึงถึงท่องได้ขึ้นใจนะบทสวมเหมือนก็เหมือนกันนะต้องสวนแล้วสวนอีกนะผ้าเนี่ยผ้าบวชใหม่เนี่ยนะบวชมาครึ่งเดือนแล้วบางทียังท่องบวชสวมมันไม่ได้เลยนะแม้ว่าจะพยายามตั้งใจจำนะแต่ต้องทาบ่อยๆทำบ่อยๆก็จะจาได้ มันจะคล่องสติเราเนี่ยนะจะคล่องจะจำได้ไวลักษณะอาการของอารมณ์อันนี้พอมันเกิดขึ้นนะไม่หลงเชื่อแล้วมันเกิดขึ้นก็เกิดไปนะแต่ว่าใจนี่ไปไปคล่องแวะด้วยอันนี้เรียกว่ามีเป็นอาการที่เรียกว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็นหลวงพ่ออมเขียนท่านจะพูดอยู่เสมอเตือนสิทธิ์ลูกสิทธ์อยู่เสมอว่าเห็นเนยะอย่าเข้าไปเป็นนะไอ้ที่เรา เสียถ้าความโกรธนะจมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราเป็นนะเป็นผู้โกรธนะเป็นผู้ทุกข์ไปละแม้แต่ความปวดความเมื่อยนะก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เป็นนะเวลายองกัดคันเนี่ยก็ไม่ใช่เห็นความคันนะแต่ว่าเป็นผู้คันไอความคันนี่มันก็เป็นเวทนานะแล้วก็มันก็เป็นศิละปะเหมือนกันนะ เป็นศิลปะที่เรียกว่าสติปัฏฐานก็คือเห็นอารมณนะ์อย่างที่เราสอนเมาาื่อสักครู่เนี่ยนะสติปัฏฐานสีก็คือพิจารณากายในกายนะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมซึ่งท่านก็อธิบายขยายความว่านะรู้กายนะเวลามันเคลื่อนไหวนะ รู้กายไปประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างรู้กายประกอบด้วยอวัยวะอะไรบ้างแต่ที่สำคัญที่เรามาฝึกตรงนี้มากๆคือรู้กายเมื่อมันเคลื่อนไหวเวลาสวยเวทนาอะไรก็รู้ว่าสวยเวทนานั้นนะคือรู้นะรู้ไม่ต้องคิดเอานะนะเคลื่อนไหวกายนะก็รู้สวยเวทนาก็รู้ว่ากำลังสวยเวทนานั้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์ปวดเมื่อยหรือว่า รู้ว่าจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะหรือว่าจิตฟุง้งซ่านก็รู้เลีเ้ยยอดว่ารู้กายรู้ใจนะรู้กายก่อนแล้วค่อยรู้ใจนะเป็นขั้นที่สองแล้วก็รู้เวทนาตามมาแล้วต่อไปมันก็จะรู้ทำนะเริ่มต้นด้วยที่รู้กายก็รู้กายก็คือว่าเวลากายเดินก็เห็นเห็นกายมันเดิน นะเห็นในที่นี้เนี่ยเห็นด้วยตานายคือรู้สึกว่ากายมันเดินแต่ก่อนเนี่ยนะเวลาปฏิบัติเนี่ยเวลาเดินเนี่ยก็คิดหรือสําคัญมากหมายว่าฉันเดินเราเดินหรือกูเดินเวลายกมือก็ไปคิดเอาว่าเนี่ยฉันเดินอะฉันยกมือนะฉันหรือกูยกมือแต่พอเราทําอย่างมีสตินะมันจะเห็นว่ามันไม่ใช่ ไม่ใช่เราหรือกูที่เดินหรือยกนะมือแต่มันเป็นรูปหรือมันเป็นกายที่ทําเวลาเดินเนี่ยไม่ใช่เราเดินแต่รูปมันเดินกายมันเดินเวลาโกรธเนี่ยไม่ใช่เราโกรธนะมันเป็นจิตที่โกรธหรือว่าจิตมีความโกรธไม่ใช่เราโกรธไอตัวเรามันจะหายไปตัวกูมันจะค่อยๆหายไปเมื่อเรามีสตินะอยู่ในเรียบท่างๆ หลวงพ่อเขียนถ้าใช้คําว่ามันสติมันช่วยทะลุงนะถลุงมันก็แร่เนี่ยก้อนแร่ขี้แร่เนี่ยพอไปถลุ่มก็จะได้แร่แยกออกมานะแร่ชนิดต่างๆแยกออกมาเมื่อเราเจริญสติเนี่ยไอ้ที่เคยเห็นเป็นดุ้นเป็นก้อนว่าเราไปสําคัญมากไหม น, นี่คือเราคือเราคือเร า, เราหรือกูเนี่ยนะพอเจริญสติเนี่ยไม่ว่าเดินหรือนั่งมันก็ยิแยกออกมาไม่ใช่เราละแต่มันเป็นกายกับใจ กายกับใจมันเริ่มแยกออกมาแต่ก่อนไม่เห็นนะมันเห็นเป็นตุ้นเป็นก้อนนะแล้วก็สมมุติว่าเนี่ยคือเรานี่คือกูเราไปคิดว่ามันเป็นกูมันเป็นเราจริงๆแต่พอเราจเจอสติเราจะเห็นความจริงที่มันละเอียดนะละเอียดไปกว่านั้นนะซึ่งเป็นความจริงไม่ใช่สิ่งสมมุตินะก็คือกายกับใจรูปกับนามนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมันมีประโยชน์มากเลยนะ เพราะว่าเวลาปวดเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยไม่เห็นตรงนี้ก็ไปไปคิดสําคัญว่ า, ากูปวดกูปวดนะแต่พอเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่กายปวดหรือความปวดเกิดกับกายใจยมันไม่รู้สึกทุกข์ไปด้วยละใจมันไม่รู้สึกทุกข์ไปแล้วเพราะเห็นว่าเนี่ยไอ้ที่ปวดเนี่ยคือกายปวดไม่ใช่กูปวดไม่ใช่จิตทุกข์จิตมันจะไม่ไปยึด นะเอาความปวดของกายนะมาเป็นทุกข์อีกต่อไปนะแล้วเวลามีความโกรธเกิดขึ้นที่ใจนะมัน ก, ก็จะเห็นต่อไปได้วยว่าความโกรธก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งความโกรธมันตั้งอยู่ที่ใจอาศัยใจเกิดแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของใจมันเหมือนกับไฟเนี่ยไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเนื้อไม้ แต่ไม่มีใครที่จะบอกว่าไฟมันอยู่ในไม้นะใช่เวลาเราสีไฟเนี่ยเเกิดเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยเราบอกได้แต่เพียงว่าไฟเนี่ยมันเกิดกับไม้หรืออาศัยไม้เป็นที่เกิดแต่ไม่มีใครที่จะบอกว่าไฟมันอยู่ในเนื้อไม้นะนะเวลาโกรธเนี่ยนะเราก็จะเห็นอ๋อาจะเห็นละเอียดว่าอ๋อมันมีความโกรธเกิดขึ้นที่ใจมันไม่ใช่เราโกรธด้วยซ้ำนะตรงนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่า ถึงตรงนี้เนี่ยความกลัวก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรจิตใจไม่ได้ถ้าเราเห็นนะไม่ขัด เ, เป็นมันเหมือนกับกองไฟที่มันมันไหมอยู่ข้างหน้าเราอยู่ห่างหางเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะยิ่งอยู่ห่างเท่าไหร่นะความร้อนของไฟก็ทําอะไรไม่ได้อันนี้เราเห็นเห็นเปลวไฟแต่ถ้าเขาไปอยู่ในกลางกองไฟมันทรมารมากมันร้อนมากอันนี้แหลเรียกเรื่ อ, อนี้เรียกาเป็น นะอันนี้บางทีเราก็เรียกว่ายึดนะไปยึดเอาความโกรธมาเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นผู้โกรธนี่สติมัช่วยทําให้เห็นนะแล้วความโกรธมันเกิดขึ้นก็คราวนี้ก็รู้แล้วความโกรธนี่มันดีที่ไหนไม่น่าเอาเลยเพราะมีสติเห็นนะเคยมีคนถามหลวงปูด่ดูลนตุโลว่าเนี่ยเขาลือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็ถามไหลวงปู่มีโกรธไหม เขาบอก ม, ม, อนะมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาทำไมถึงไม่เอาก็เพราะรู้ว่ามันไม่น่าเอาตรงไหนนะความโกรธมันน่าเอาไหมไม่น่าเอาแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นนะโกรธทีไรเอามันทุกทีหรือไปไปยึดไปคลองหรือไปจมอยู่กับความโกรธนั้นนะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ใช่แค่มีความโกรธแต่ ไปเอามันด้วยไปยึดมันหรือว่าโจนเข้าไปในความโกรธจะหลวงปูด่ดูนี่ท่านท่านมีแต่ท่านไม่เอานะท่านพูดแบบถ่อมตัวนะท่านไม่ได้พูดแบบว่าไม่มีโกรธเลยท่านพูดแบบถ่อมตัวมีแต่ไม่เอาเพราะท่านมีปัญญาเห็นว่ามันไม่น่าเอาตรงไหนนะเราก็รู้ใช่ว่าความโกรธมันไม่ม น, ไมน่าเอาแต่นี้มันรู้ด้วยสมองแต่ถึงเวลาโกรธทีไรเสร็จมันทุกทีเพราะตอนนั้นเราหลงละ นะเหมือนกับเด็กที่ถูกมอมยานะหรือผู้ใหญ่โมถูกมอมยานะใครพาไปก็ไปไมิชาชีพจะพาไปไหนก็ไปแล้วก็ถูกมอมยาอยู่เรื่อย ก, ก็เลยเสียท่านะเสียทีมนทุกครั้งแต่ถ้ามีสติมีความรู้รตัวเนี่ยนะมันก็จะรู้โดยลําดับนะหลังจากที่เจอความโกรธครั้งแล้วครั้งเราว่าหนึ่งหน้าตามันเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้มาทีไรเราไม่เผลอแลม่ไม่เชื่อมันละ สองเห็นโทษด้วยว่ามันไม่น่าเอาไม่เพลอไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าไม่มีสตินะมันก็จะไปยึดอยู่เลยว่าเนี่ยเราโกรธเราโกรธเราโกรธมันไม่ใช่เราโกรธนะความโกรธมันแค่เกิดขึ้นที่ใจเฉยๆนะต้องเห็นตรงนี้แหละความเกิดมันเกิดขึ้นที่ใจนะเวลาปวดก็ไม่ใช่เราปวดนะหรือกูปวดแต่เห็นว่าความปวดมันเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับขานะ มันไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าข้าเจ้าของหรือไปยึดเลยแล้วนี่แหละนะั่ที่ทำให้ใจสงบได้แม้ว่ากายยังปวดอยู่แม้ว่ามีความเกลืขึ้นเกิดขึ้นที่ใจนะแต่ว่าความเกลืมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรจิตใจไม่ได้นะหรือว่าจะใช้คาว่ามันทำอะไรเราไม่ได้ก็ได้นะเนี่ยสติมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะหลายคนอาจจะมาเพราะอยากจะสงบนะแต่ว่า ไม่ค่อยตระหนักว่าจริงๆ จ, จะสงบได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยความรู้ตัวนะสติเป็นพื้นฐานด้วยเพราะว่าถ้ามีสติมีความรู้ตัวอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะเดือพที่เป็นสัมมาสตินะซึ่งเกิดจากสติปัฏฐานเนี่ยสติมันมีหลายแบบนะสติธรรมดาเฉยเก็มีสัมมาสติเนี่ยเรากำลังพูดถึงสัมมาสตินะความเราลึกรู้เรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่เราลึกได้เรื่องอื่นเรื่องนอกตัวนี่เรียกว่มมาสติธรรมดา แต่ถ้าเรารู้เรื่องกายเรื่องใจอันนี้เรียกว่าสัมมาสติสิ่งนี้แหละนะ่ช่อจ ช, ช่วยทําให้ใจสงบได้แท้จริงอะไรมากระทบหูเสียงอะไรมากระทบหูนะใจกับเพื่อนก็รู้นะจากเดิมที่ยินร้ายนะพอมีสติก็เฉยๆนะไม่ยินร้ายแล้วนะมีอะไรมากระทบตามีอะไรมาสัมผัสกายที่เคย เป็นทุกข์เคยปวดเคยยินร้ายนะแต่พอมีสติก็ก็รู้มีความโกดหงี่เกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่เอานะมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้นะไม่เอาอันนี้เราว่าเห็นมันนะไม่ค้อไปเป็นนั้นจับหลักตรงนี้ให้ได้นะการปฏิบัติของเรามันก็จะเห็นมกักเห็นผลนะเอาเราคำนี้กับทนทนี้